สิบสองกิเลสโคชกะเจ็ดสิบห้ากิเลสทุกะหนึ่งปฏิจาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยหนึ่ง สภาวธรรมที่เป็นกิเลสอสาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฐิถีนะอุทัจจะอหิริกระและอนุตตะปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะทิฐนะนะิอุทจจะอหิริกระและอนุตตะปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะมานะถีนะอุทัจจะอหิริกะและอนุตตะปะอาศัยโลภะเกิดขึ้น โมหะมานะอุทจจะอหิริกะและอนตตะปาอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะถีนะอุทจจะอหิริกะและอนตตะปาอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะอุทจจะอหิริกะและอนตตะปาอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะถีนะอุทจจะอหิริกะและอนตปะปาอาศัยโทสะเกิดขึ้นโมหะอุทจจะอหิริกะและอนตตปา <departed. |mt|>. อาศัยโทสะเกิดขึ้นโมหะอุททะจะอหิริกะและโนตปะอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะอหิริกะและโนตปะอาศัยอุททะจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่สำปรยุติขันและจิตตสโมทานรูปอาศัยกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฐิถีนะอุทจจะอหิริภะมโนตปะสัมปยุจฉขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโลภะเกิดขึ้นพึงทำเป็นจักกนัย 2. ส, สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นละถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กิเลสอาศัยขันที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันธ์สามกิเลตและจิตตสมุทัยนรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองสสภา ว, ธร ร, าาภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิทีนะอุทจจะอหิริกะและอนุตตะปะ อาศัยโลภะและสัมบูชิตขันเกิดขึ้นพึงทำเป็นจักปัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสและอาศัยกิเลสเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยกิเลสและมหาภูตรูปเกิดขึ้น สภาววะธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสอสาศัยสภาววะธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามโมหะทิฐิถีนะอุทจจะอหิริกระอโนตปะและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสและอาศัยโลภะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองพึงทำเป็นจัปนยัยย่อ 1ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระ 4. เฮตตปัจใจมีเก้าวาระอารามณะปัจใจมีเก้าวาระอธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระอนันตรปัจใจมีเก้าวาระสมนันตรปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจใจมีเก้าวาระ 2. ป <14 9 S 1> ัจยะปัจญิยะ หนึ่งวิพังขวาระน่เหตุกปัจจัยหสภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะน่เหตุกปัจจัยได้แก่โมหะอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะอาศัยอุทจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะน่เหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึ่งไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัตยพรมสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สัหัวโลโด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรวโลโด้วยอุทจฉาอาศัยขันที่สัหัวโลโด้วยวิจิกิจฉาและที่สัหัวโลโด้วยอุทจฉาเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนเหตุตกปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคฆวิจิกิชฌาอาศัยขันธ์ที่สหรคฆวิจิกิชฌาและอาศัยวิจิกิชฌาเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตอุทัะจัอาศัยขันธ์ที่สหรคตอุทัะจัและอาศัยอุทัะจัเกิดขึ้นและอารมณปัจจัยเป็นต้นหก สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที ather, ่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทนานรูปอาศัยกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทนานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะผาไทยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้น เพิ่มเพิ่มข้อความเช่นถึงอาสัญญัติพรมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนะอรณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาัยกิเลสและจำปยุตตขันเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยกิเลสและมหาภูตรูปเกิดขึ้นละถึงเพราะณนะอธิปติปัจจัยเพราะณนะอนันตระปัจจัยเพราะณนะสมณันตระปัจจัย เพราะณอะัญญามันยะปัจจัยเพราะณอุปาณิยัติปัจจใจณปุเรชาตะปัจจัยเป็นต้นเจสภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในรูปาวจารภู ม, มิโมหทิฏฐิทีณานะอุทัจจะอหิริกระและอนโตตปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหทิฏฐิอุทัจจะอหิริกระและอนโตตปะ อาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะมานะทีนะอุทจจะอหิริกะและอโนตปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะมานะอุทจจะอหิริกะและอโนตปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะทีนะอุทจจะอหิริกะและอโนตปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะอุทจจะอหิริกะและอโนตปะอาศัยโลภะเกิดขึ้น โมหะอุทะจะอะหิริกะและโนตปะอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะอะหิริกะและโนตปะอาสัยอุทะจะเกิดขึาา้นในอรูปาวจรภูมิไม่มีบทที่มีโทสะเป็นมูลสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะณบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมบุญตระขันมาศัยกิเลสเกิดขึ้น จิตตสมุทฐานรูปอาสายกิเลสเกิดขึ้นพึงทำเป็นก้าวาระอย่างนี้ละถึงเพราะหนะ้าปัจฉาชาตะปัจจัยเพราะหนะ้าอาศัยวณนะัปัจใจหนักรรมปัจใจแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะหนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะเจตนามาสายกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะเจตนาอาศัยขันที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนกกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะเจตนาอาศัยกิเลสและสัมปยุตตะขัน์เกิดขึ้น พึงเพิ่มปัจัยทั้งหมดอย่างนี้ 2. ปัจยปัจนิยะสองสังขยาวาระสุทไนเก้น 9. นเหตุตุปัจัจมีสี่วาระนอารรมณปัจจัยมีสามวาระนัธิปติปัจจัยมีก้าวาระนอันนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญามัญญปัจัยมีสามวาระนอุปาิจียปัจัยมีสามวาระ นาปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาปชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาศิวะนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนามขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมยุญตปัจจัยมีสาวาระ นวิปวิตตปัจจัยมีเก้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสหชาตวาระพึงทำอย่างนี้เจสิบห้า กิเล <Hans> <iss> สทุกกะสามปัจยาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสยิสภาวธรรมที่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรม ท, ท, ที่ไม่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพิงเพิ่มข้อความจนถึงมหาปูตตรูปที่เป็นภายในขันที่ไม่เป็นกิเลสรมอไัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุต ป, ปัจจัยได้แก่กิเลสทำขันที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกิเลสทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามกิเลสและจิตตสมุธฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทมขันธ์สองกิเลสธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกิเลส และสัมบัญญัติขันทำใหมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่โมหะทิฐิธีนะอุทจจะอหิริกะและโนตปะทำโลภะและสัมบัญญัติขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงทำเป็นจักรไน กิเลสทำโลภะและหาไทยวัตถ hmm. ุให um ้เป็นป so ัจจ right ัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสและทำกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตตสมุทานรูปทำกิเลสและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันที่ไม่เป็นกิเลสทํากิเลสและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสทําสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามโมหะทิฏฐิทีนอุทจจะอหิริกะอโนตปะและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นก<ห>ิเลสและ1 1> ทําโลภะให้เป็นปัจจ <uri> ัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสอง พึงทำเป็นจักรนัยโมหะทิฏฐิถีนะอุทจจะอหิริกะอโนตปะและสัมยุธตขันทมโลภะและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงทำเป็นจักนัยในอารมณปัจจัยบทที่มีสภาวะที่ไม่เป็นกิเลสเป็นมูลพึงเพิ่มปัญจวิญญาณหนึ่งปัญญานุโลมสองสังขยาวาระสิบสอง เหตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงภวิคตาปัจจัยมีก้าวาระสองปัจจะยปัจจนียหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจจัยสิบสามสภาวธรรมที่เป็นกิเลส ทำสภาวธรรมที่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรฆโคด้วยวิจิกิจฉาทำวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรฆโคดยอุทัจฉาทำอุทจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปัจจัยได้แก่พึงเพิ่มข้อความจนถึงอสันญาสัตตพรม จากโุวิ ญ, ญญาณทำจากขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายายาตนะละถึงขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกิเลสรำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคดว้วยอุทจจะทำขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาที่สหรโคดว้วยอุทัจจะ และธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสธรรมสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหรรคต ว, วิจิกิจฉาทำวิจิกิจฉาสัมยุญตักขันและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรรคตอุทัจจะทำอุทัจจะสัมยุญตักขันและธรวรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อ สปัจยปจัจญิยะ 2. สังคยาวาระส 4. ะนเหตุปัจใจมีสี่วาระน้ารัมณปัจจัยมีสามวาระหน้าเทปติปัจจัยมีเ้าวาระและถึงนกกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมี9้าวาระหนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระ การนับสองอย่างนอกนี้และนิจยะวาระพึงทำอย่างนี้เจ็สิบห้ากิเลสาทุกขะหสังจัถาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นสิบห้าสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเกิดรกรกับสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิพิถีนะอุทัจจะอหิริกะและโนตปะเกิดรคนกับโลภะพึงทำเป็นจักกนัย เพิ่งเพิ่มเป็นเก้าวาระอย่างนี้เหตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณปัจจัยมีก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระวิปากบปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเปิดระควกับสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเพราะในะเหตุปัจจัยโดยในนี้ พึงทำวาระแห่งนเหตุปัจจัยเป็นสี่วาระนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนัตถปติปัจจัยมีเก้าวาระนบปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนอเสวณัปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตะปัจใจมีก้าวาระปั จ, จนิยะจบการนับสองอย่างนอกนี้และจมปยุตตะวาระพึงทำอย่างนี้เจ็ดสิบห้าคิเลสทุกขะเจ็ดปัญหาวาระ หปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสิบหสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะกิเลสโดยเหตุปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูล เหตุที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันกิเลสและจิตตะสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและจิตตะสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัย17สภาวธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบกิเลสกิเลสจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบกิเลสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบกิเลสกิเลสและสัมบัติขันจึงเกิดขึ้น 18. สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอารมณะปัจจัยได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปราลบความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทจจะโทมนาจึงเกิดขึ้นพระอริยะออกจากมรรคและถึงเป็นปัจจัยแก่ผลและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัย บุคคลเห็นแจ้งจากสุขมาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุและถึงเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยระมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานออกจากฌานแล้ว ยินดีเพลเพลิพลนฌานเพราะปรารบความยินดีเพลเพลิพลนฌานนั้นราคะทิฏฐิวิจิกิจฉาบุทะจจะจึงเกิดขึ้นเมื่อฌานเสื่อมแล้วโทมาัะจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความเดือดร้อนบุคคลยินดีเพลเพลิพลนจากสุมาทัย ว, วัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสเพราะปรารบความยินดีเพลเพลิพลนจากสุเป็นต้นนั้นราคะโทมาัะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสโดยอรมณปัจจัยได้แจ่บุคคลให้ทาน folded, Jesus, ละถึงออกจากฌานยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาทายวัตุและขันธ์ที่ไม่เป mm ็น hmm. กิเลสเพราะปรารจากความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นกิเลสและสัมพุทธขันธ์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระ ธิปติปัจใจสืบเร้าสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่เพราะทำกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นกิเลสจึงเกิดขึ้นมีสามวาระมีเฉพาะอารมณนาทิปติปัจจัยเท่านั้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมณนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทําความยินดีเพลิดเพลิงกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิชชิ่งเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะ บอกจากมากแล้วพิจารณามักให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นและถึงเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราค่าจึงเกิดขึ้นทิฐิและถึงสหาชาตาธิปิได้ แ, แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่สัมบยุตัขันและจิตตสมุทารูปโดยที่ปฏิปั จ, จัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสโดยที่ปฏิปั จ, จัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานพิจารณาฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์หนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิละถึงสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตักิเลสโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติ อารมณ์นาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานพิจารณาฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นกิเลสและสัมยุญตขัน์จึงเกิดขึ้นซาชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตขันกิเลสและจิตตสมุทฐานรูป โดยทธ่ปติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสโดยทธ่ปฏิปัจจัยมีสามวาระมีเฉพาะอารมานาธีปฏิปัจจัยเท่านั้นอนันตรปัจจัยเป็นต้นยี่สิบสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสโดยอันตรปัจจัยได้แก่กิเลสที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กิเลสที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปรัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลกิเลสที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยกิเลสเป็นป WHO ัจจัยแก่วก verdad, <die> ุฐานะโดยอนันตราปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลกิเลสที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กิเลสและสัมยุญตะขันที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยยีสอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอนันตราปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยและถึงเป็นปัจจัยแก่พละสมาบัตโดยอนันตราปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่กิเลสที่เกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิต เป็นปัจจัยแกี่กิเลสโดยอนันต ร, ประปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่กิเลสและสัมบูญุตขันที่เกิดหลังๆโดยอนันต ร, ประปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่กิเลสและสัมบูญุตขันโดยอนันต ร, ประปัจจัย 22. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยเกี่ยวกิเลสและสัมบูญุตขัโดยอนันต ร, ประปัจจัยได้แก่ กิเลสและ Percy, ple, ส am am ัมพยุตตะขันที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจ <políticas> ัยแก่ก <ooky. S 1> <put> ิเลสที่เกิดหลังๆโดยอนันตรัปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลกิเลสและสัมพยุตตะขันที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยกิเลสและสัมพยุตตะขันเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตระปัจจัยเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลกิเลสและสัมพยุตตะขันที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่กิเลสและสัมพยุตตขานที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยและถึงเป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยอุปาณิสยาปัจจัยยี่สิบสามสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่าง คืออรัมณูปะนิสยาอนันตะรูปะนิสยาและปะกะตูปะนิสยาปะกะตูปะนิสยาได้แก่กิเลสเป็นปัจจัยแก่กิเลสโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามวาระ24สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปะนิสยาอานันตะรูปะนิสยาและปะกะตูปะนิสยา ปะตูปะนิสยได้แก่บุคคลอาศสายศรัท ธ, ธาแล้วให้ทานและถึงมีมานะือทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายเสนาสนะแล้วให้ทานและถึงทำลายสงศรัท ธ, ธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัท ธ, ธาพระสมมาบัตโดยอุปาณิสยะปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสตัวอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาณิสยอาอนันตารูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่บุคคลใ น, ในใสายศรัทธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลเสานาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแห่กิเลสตัวอุปาณิสยปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยอุปาเนสียปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปาเนสียอนันตารูปาเนสียและปะกะตูปาเนสียปะกะตูปาเนสียได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะเถอทิฐิอาศัยศีลเ ส, น, สนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศ์ศรัทธาเสานาสนะเป็นปัจจัยแก่กิเลสและสัมบัติขัน โดยอุปาเนสิยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสโดยอุปาเนสิยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยยี่สิห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมานะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโพธพายตนะละถึงวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นกิเลสโดยปุเรชาตะปัจจัย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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นกิเลสและชัปพยุติขันจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่กิเลสและสัมพยุจตขันโดยปราชาตะปัจจัยปัชาชาตะปัจจัยและอาเสวนาปัจจัยยี่สิหกสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยปราชาตะปัจจัยย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยปราชาตะปัจจัยย่อสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อเป็นปัจจัยโดยอเาเสวนาปัจจัยเมกะวาระกรรมปัจจัยยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคเนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่จำประยุติขัน และจิตตาสมุทฐานรูปโดยกรรมะปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที ya, ana, present, fuerte, ่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นวิปากและกตัตารูปโดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยกรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแข่กิเลสโดยกรมะปัจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยก a ม m ปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจฉันกิเลสและจิตตสมตุทฐานรูปโดยก a ม m ปัจจัยวิปากะปัจจัยเป็นต้นยี่สิบปดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระ เป็นปัจจัยโดยอินทริย์ปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรคธาปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตะปัจจัยยี่สิบเกสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตตะและปัจฉาชาตตะโย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือตาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่กิเลสโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยวิบิยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือร์บเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่กิเลสและสัมยุญตระคะนโดยวิบิยุตตปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยวิบิยุตต์ปัจจัยมีสองอย่างคือร์จชาตะและปะชาชาตะย่อพึงขยาหให้พิจารณ์ อธิปัจจัยเป็นต้นสามสิบสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลส โดยอธิปัจจัยเหมือนกับปฏิจจาวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะย่อ สหชาติิเหมือนกับสหชาตะปุเรชาติเหมือนกับปุเรชาตะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาติติเหมือนกับสหชาตะปุเรชาติเหมือนกับปุเรชาตะสาสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและบุเรชาตะสหาชาตะได้แก่โลภะและสัมปยุตตะขันเป็นปัจจัยแก่โมหะทิฐิถีนะอุทจจะอหิริกะและอนโนตตะโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจักกนัยสหชาตะได้แก่โลภะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่โมหะทิฐิถีนะอุท จ, อออจ จ, จกกาาะ อหิริกะและอโนตปะโดยอธิปัจใจเพึงผูกเป็นจักกันัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจใจมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสและกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทานรูป โดยอธิปัจจัยและถึงขันสองสหชาตะได้แก่กิเลสและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่กิเลสและหาททยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่กิเลสและสัมปยุจจขันเป็นปัจจัยแก่กายนิธิเกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ กิเลสสัมยุติขันธ์และเกลิงกราหานเป็นปัจจัยแก่กลายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่กิเลสสัมบัติขันธ์และรูปปชีวิตินทร์สีเป็นปัจจัยแก่กตัตัลรูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ ขันหนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันสามจิตตสมุทฐานรูปโมหะทิฏฐิถีนะอุทจจะอหิริกระและอนุตตะปะโดยอธิปัจจัยและถึงขันสองสหาชาตะได้แก่โลภะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทจจะอหิริกระอนุตตะปะและจมปรยุติขันโดยอธิปัจจัย พึงผูเป็นจักกนัยละถึงเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจหนึ่งปัจญานุลมสองสังขยาวาระสุทธนสามสิบสองเฮตุปัจใจมีสี่วาระอารมณปัจใจมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระอนันตระปัจใจมีเก้าวาระ สำมะนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมันยปัจจัยมีเ้าวาระนิสียปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสียปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตตปัจจัยมีสามวาระอาเศวณปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระริปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาระปัจจัยมีสามวาระ อินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมกะปัจจัยมีเก้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิบิยุตตปัจจัยมีห้าวาระอาติปัจจัยมีเก้าวาระนติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสองปัจนียุทธาระสสสภาวธรรมที่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาเสียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอารมณ์ปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาเสียปัจจัยและปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยอารมณปัจจัย สหชาติตปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัย 34. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาเสสยปัจใจปูเรชาติปัจจัยปัชชาชาติปัจใจกรรมะปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอรมณปัจจัย สหชาติปัจจัยอุปานิเสียปัจจัยและปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยระมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปานิเสียปัจจัยและปุเรชาติปัจจัยสามสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยระมณปัจจัย สหชาติปัจจัยและอุปาเสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาเสยปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยมหาราปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยรมณปัจจัย สหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสองปัจญญปัจจนียสองสังขยาวาระสามนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารรมณปัจจัยมีเก้าวาระนาธิปปิปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสปัจจญานุโลมปัจจนียสามสิเจ็ด นาอารามณปัจจัยกเพเหตปัจจัยมีสีวาระนาอธิปติปัจจัยมีสวาระนาอนันตระปจจัยมีสวาระนาสมนันตระปจจัยกเพเหตุปจจัยมีสวาระนาอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนาอุปนิสัยปัจจัยมีสีวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสีวาระนาสัมพยุตตะปจัยมีสองวาระนาวิปยุตตะปจจัยมีสวาระ โนนัติปัจใจมีสี่วาระโนวิคตะปัจใจมีสี่วาระสี่ปัจยะปัจนิยานุโลมสามสิบปดอารมณ์ปัจจัยกับนั่เหตุถกปัจัจมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาร ะ, าาาระพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยีเลสาทุกะจบ